เมื่อวานกับวันนี้นะมีนักเรียนกับผู้ปกครองม า, มาเยอะเมื่อวานมีคนยืน่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการนะว่าเข้ามาแล้วเข้าศาลาไม่ได้ที่จริงน่าจะทําใจนะะว่าเข้าไม่ได้อยู่เรื่อยๆแหละมีทุกวันอาทิตย์ก็มีคนเข้าไม่ได้จะขยายศาลามก็ไม่มีที่แล้ว ทําศาลาสองชั้นนะก็ไม่ถูกพวินัยสูงกว่าคนเทศไม่หลวงพ่อต้องไปนั่งบน น, น้นคนเทศจะทำสองชั้นที่จริงแล้วการเรียนธรรมะนะฟังยูทู e ให้มากๆหน่อยแล้วดูของจริงในใจตัวเองนะ เวลาหลวงพ่อออกไปนอกวัด น, ะนั่งรถไปทีไปไกลๆ ไ, ไปทุระจังหวัดน้นจังหวัดนีนะ้เห็นคนตามข้างถนนบ้างตามร้านขายข้าวแกงบ้างอะไรบ้างเห็นหน้าเรารู้นะว่าเขาฟังยูทูปเพราะว่าภาวนาพะจิตมัน มีสมาธิถูกต้องเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์ปกติหรอกมันสว่างสบายแต่ว่าไม่ได้สว่างแบบนิมิตนะมันเป็นความผ่องใสจากภายในไอ้ความผ่องใสเนี่ยถ้าผ่องใสมากพอนะภาวนาดีมากพอนะมันฟอกฟอกกระดูกได้เส้นผมกระดูกอะไรเนี่ยมันฟอกเปลี่ยนเป็นแก้วได้ แต่เราไม่เอาสิ่งนั้นมาวัดเราไม่เอากระดูกกระดูกอะไรมาวัดบอกว่าภาวนาดีหรือไม่ดีไม่ใช่หลักสูตรของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผลพลอยได้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือเราเหลือกิเลสอยู่แค่ไหนเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจได้แค่ไหนเรื่อเราภาวนาเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมุ่งไปสู่ตรงนี้ถ้าภาวนาแล้วก็อยากเด่นอยากดังอะไรนีนี่ต่ำต้อยมากอยากมีชื่อเสียงนะ่ะต่ำต้อยห่างไกลจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าอยากมีศีลที่ดีนะ อยากมีสมาธิดีอย่างนี้อยากมีความรอบรู้ในธรรมะมากมายอันนี้ยังไม่ใช่แก่นแท้ที่พระพุทธเจ้าต้องการสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นแก่นแท้ของการปฏิบัติของพวกเรานะีก็คือวิมุตต์ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้เนะี่ย เมื่อหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยเนี่เราจะต้องภาวนาเนี่ยมุ่งมาตรงนี้ไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นถ้ามุ่งอย่างชื่อเสียงลาบสักกาละอะไรนี่นะยังห่างไกลสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากอย่างถ้าภาวนาไม่ไม่ถูกนะภาวนาถูกเหมือนกันแหะแต่ถูกไม่มาก ถูกในขั้นตอนแล้วมันเกิดวิปัสนูไปกิเลสขึ้นมาเนี่ยพวกวิปัสนูไปกิเลสเนี่ยบางทีมันอยากใหญ่โดยไม่รู้ตัวนะอยากเผยแผ่อยากสอนรู้สึกมีความคิดความเห็นอะไรมากมายอันนี้เป็นลักษณะของพวกที่ติดวิปัสนูอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าจิตของเราว่างจิตเราบริสุทธ์อะไรเงี้ยบางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยะชั้นสูง นี่เป็นผลงานของวิปัสสนุปกเกลิดพวกนี้จะอยากสอนอยากสอนอยากดังอยากมีสาวกเยอะๆอะไรเงี้ยวิปัสสนูมีหลายแบบนะมีทั้งสิบอย่างที่มีความรู้เยอะรู้หมดเลยอยากรู้อะไรก็รู้หมดเลยแล้วก็ใช้ไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงตัวเองก็ยังอมกิเลสซ่อนกิเลนอยู่ข้างในมองไม่ออกนั้นใช้ไม่ได้ย้งที่เราภาวนานะเราภาวนาไปมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิตจิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เราต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะจะมีส้อยวรีต่อนะบอว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วกนะิตอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกนะจะมีวรีต่อท้ายแสดงถึงความห้าวหารของจิตใจ ชาติสิ้นแล้วชาติคือความเกิดอะไรที่เรียกว่าความเกิดคือการที่จิตหยิบช่วยตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกเล่นกายใจพวกเราคงยังไม่เคยเห็นชาติ จ, จริงๆหรอกนะต้องภาวนาขนักหนาสาหัสนะเราจะเห็นว่าจิตนี้แหละไปหยิบตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาพวกเราบางคนนะน้อยคนออกที่เห็น มองเห็นไหมจิตไปหยิบตาขึ้นมาเคยเห็นไหมเวลาเราจะดูรูปนะจิตมันจะไปหยิบตาขึ้นมาใช้งานพอมันเลิกดูรูปมันก็วางตาลงไปเวลามันจะฟังเสียงมันก็หยิบหูขึ้นมาใช้งานเวลามันจะคิดมันก็หยิบใจขึ้นมาใช้งานภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นนะจิตมันวางจิตลงไปจิตมันวางจิตนะแล้วมันก็หยิบจิตขึ้นมาใช้อีก หยิบบ้างวางบ้างตัวนี้เรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นแก่ใจแต่ไม่ได้ได้ที่ละหกงานหรอกนะชาติมันมีสองชาตินะมันมาจากภพบนก็มีสองภพภพอันหนึ่งภพโดยการเกิดนะอย่างพวกเราได้ชาติโดยการเกิดก็มีอย่างคือเรามีตาหูจมูกลิ้นแก่ใจครบชุดนะ แล้วก็มันมีพบเป็นกรรมภพการทำงานของใจเป็นขณะขณะเนี่ยตอนที่มันทำงานด้วยใจมีพบทางใจเกิดขึ้นน่มันหยิบฉวยอายตนะทีละอันมันจะไปดูรูปมันก็คว้าเอาตาให้มายึดตาไว้มันจะคิดมันก็คว้าจิตขึ้นมาเนี่ยชาติสิ้นแล้วคือจะไม่มีการหยิบฉวยขึ้นมาอีกแล้ว ไม่มีการหยิบฉวยตาปูจมูกลิ้นแก่ใจขึ้นมาอีกไม่มีตั้งแต่ปฏิสนธิจิตนะไม่มีตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจิตดวงที่ทำให้เกิดไม่มีจิตดวงที่ทำให้ตายก็ไม่มีถ้าภาวนาถึงขีดสุดเหมือนพ้นจากความเกิดพ้นจากความตายพ้นจริงๆอันนี้ยากไปนิดนึงบางคนภาวนาเก่ง มานั่งหน้านามีหลายคนทํามะมก็เลยเออเรอเป็นนิดนึงยากถ้าเราภาวนาถูกต้องนะมันเป็นไปเพื่อลดลา ก, กิเลสเราจะลดลา ก, กิเลสได้นะต้องเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงนะพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเปื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นะหลุดพ้นแล้วก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว นี่เป็นเส้นทางที่เราจะต้องฝึกกันเพราะนั้นจุดสำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกให้ได้ก็คือการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะั้นมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะลำพังการทำทานศา ส, สนาอื่นเขาก็ทำอย่างมุสลิมนะถึงปีก็มีพิธีสกาศด หมายถึงคนซึ่งมีไรายได้นะจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งให้กับสังคมนี่ก็ ก, การส ก, กรัดนี่ก็คือทานศีลนศะีลนะแต่ละศาสนาเขาก็มีศีลอย่างของเขานะพอหมอะพอดีกับของเขานะกับสังคมของเขาสมาธิก็มีกันทุกศาสนาเลยสมาธิอย่างศาสนาคริสต์นะถึงวันอาทิตย์ก็เข้าโบสถ์ไปร้องเพลงไปอะไร คิดถึงพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นก็คือสมาธิอย่างหนึ่งนะเรียกว่าเทวตานุสติหรืออย่างมุสลิมปันหนึ่งเขาทำละหมาดห้าครั้งละหมาด ก, ก็คือคิดถึงพระเจ้านะสวดมนต์คิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งเก่งแว่าพวกเราชาวพุทธนะเราชาวพุทธอย่างมากก็ไหว้พระวันละครั้งก่อนนอน บางวันขี้เกียจมากก็ยกมือไหว้พระแล้วบอกเหมือนเมื่อวานค่าแล้วก็นอนช่วยนะตั้งชื่อให้เลยช่วยช่วยนะเนี่ยเรื่องสมาธินะคนหนึ่งเขาก็มีการทําทานการถือศีลการทําสมาธิคนอื่นก็มีแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่เป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศานสนาศาสนาอื่นไม่มีแต่ตอนนี้เขาเริ่มเรียนแล้วนะ เขาก็ยังเป็นศาสนาเดิมของเขาแต่เขาเรียนมิปั ส, สนากรรมฐานเขารู้สึกว่าไม่เห็นจะขัดแย้งตรงไหนเลยเพราะศาสนาพุทธจริงๆไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นองค์ความรู้ชุดหนึ่งที่เมื่อเรียนรู้แล้วจะพ้นจากทุกทางปวงนะนะเขาอาจจะยังเป็นมุสลิมอยู่ยังเป็นคริสต์อยู่นะเป็นซิกอยู่อะไรเงี้ย แต่เขาเรียนวิปัสนามีสติรู้กายรู้ใจอ่ะมันขัดกับคำสอนสาศาสนาไหมาศาสนาใดๆมีไหมจงลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจมีใครสอนไหมไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะสามารถแทรกเข้าไปได้ในทุกาศาสนาเลยถ้าคนในาศาสนานั้นไม่ใจแคบเกินไปแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าจะว่าไหมไม่ว่าหรอก องความรู้อันนี้ท่านอยากให้สัตว์โลกได้เรียนรู้ถ้าได้เรียนรู้แล้วเขาพ้นทุกข์ได้นั่นคือเจตนาของท่านนะที่สะสมบารมีมาคือช่วยให้สัตว์โลกพ้นทุกข์แต่ไม่ได้อยากได้สาวกเยอะๆนะไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเนี่ยใจของคนที่บริสุทธนะิ์นจะเป็นแบบนั้นถ้าใจยังหิวสาวกนะไม่ใช่หรอกนะแย่งกันสาวกอนะไรเงี้ยไม่ใช่ นี้เราจะเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไงเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะกายใจที่ควรเรียนคือกายใจของตัวเองของคนอื่นทำวิปัสสนาได้ไหมไดนะ้แต่ทำยากอย่างเราไปดูกายของสาวๆอย่างเงี้ยแทนที่จะเห็นความจริงนะเกิดเบื่อนายคลายกำหนัดมันยิ่งกำหนัดมากกว่าเก่าอีกถ้นะาดูกายของตัวเองลงมาสิกำหนัดไม่ออกหรอก สวยแค่ไหนดีแค่ไหนตื่นนอนมาแล้วดู ก, กายเลยนะหน้าตาเหมือนข้ามันไกนะ่เหมือนเอาไก่มันๆ ม, มาฉลมหน้าไว้เงี้ยนะมันสวยมันงามตรงไหนเนะี่ยถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ในกายนะมันลักไม่ลงหรอกนะกายเราเต็มไปด้วยขี้ตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนมีส่วนไหนที่ไม่มีคาว่าขี้บ้างมีอยู่คำเดียวคือเยี่ยว นั่งแล้วขี้ทั้งนั้นเลยขี้หัวนะขี้หูขี้ตาใช่ไหมขี้มูกขี้ฟันนี่สารพัดขี้แลอยู่ในนี้นะขี้เหงือขี้ใครนะขี้เต่าใช่ไหมสารพัดขี้ขี้จริงๆขี้มือขี้ตีนขี้เล็บสารพัดเลยนะ มีสติเรียนอยู่ในกายนะมันไม่สวยมันไม่งามจริงหรอกนะแล้วมันสุขหรือมันทุกข์ร่างกายนี้ดูให้ดีนะมีสติอยู่กับกายล้วเห็นร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นะไม่ใช่มีสุขมากเละนั่งอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่แล้วเมื่อยไหมนั่งอยู่แล้วก็ทุกขนะ์เดินก็ทุกข์นะเดินมากมากก็ทุกข์นอนมากๆ ก, ก็ทุกข์ไนเะนี่ยร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะ ใครรู้สึกอย่างเรานั่งอย่างเงี้ยนึกว่าสบายเหรอนั่งสภาก็ปวดก็เมื่อยนะเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับร่างกายนะเรียนรู้ความจริงของร่างกายแล้ว เ, เห็นความจริงของร่างกายมันไม่สวยไม่งามมันไม่สุขจริงหรอกมันไม่เที่ยงมันเที่ยงไม่ได้เพราะถ้ามันไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงมันจะทุกข์จนทนไม่ได้นะ มันไม่เที่ยงหรอกร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงหรอกแต่ละอย่างทําไมมันไม่เที่ยงเพราะมันถูกบีบคัน้นทนอยู่ไม่ได้นะมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บอยู่ตลอดเวลานะอย่างพวกเราเนี้นั่งให้สบายนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่สบายแล้วมันหิว่ะ ร่างกายมันกต้องการหาอะไรใส่ปากขึ้นมาแล้วเหน็ดเหนื่อยร่างกายเป็นวัตุธาตุถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่อย่างเราหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเราจะรู้สึกเลยร่างกายนี่เป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา ร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัร์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องคืนวัตถุันนี้ให้โลกอย่างร่างกายเราเนี้ยเห็นเรากินเป็ดกินไก่กินหมนะูกินผักอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านั้นก็มาจากแผ่นดินนะมาจากวัตถุธาตุของโลก เรากินๆเข้ามา น, นะมีตัวโตๆเดี๋ยวก็ขับถ่ายออกไปคืนให้โลกไปบางส่วนนะถึงจุดหนึ่งก็ตายแล้วก็คืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลกไปเนะนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริงนะอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายไปเนะพร่ยพเรามีสติเรียนรู้ความจริงของร่างกายเราให้เห็นร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์นะเต็มไปด้วยความจริงที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกเห็นตามความเป็นจริงนะ้มันจะเบื่อหน่ายรู้สึกร่างกายนี้มีแต่ภาระนะจะเห็นร่างกายเป็นภาระมากมายตื่นนอนมามีภาระในกายเท่าไหร่นึกออกไหมตื่นนอนมามีภาระไหมในร่างกายนี้ทําอะไรบ้างยางยังไม่แปลงแฟนบิดขี้เกียจอายนอนนานเมื่อนะหรือนอนยังไม่พอโอ้ยยังไม่อยากจะลุกเลยนะบิดไปบิดมานะ ภาระลุกขึ้นมาใช่ลุกขึ้นมาแล้ว ก, ก็ต้องเก็บที่นอนหรือไม่เก็บเอาเท้าคุยคุยคุยแบบหมาแล้วก็เดินไปนะตอนจะนอนก็มาเอามือคุยคุยคุยแล้วก็ลงนอนนะฉะนั้นเอาแบบหมาแบบแมวนยะภาระเยอะแยะเลยนะไปเข้าส่วมนะเป็นภาระนะอาบน้ำแปลงฟันยภาระเท้งนั้น กินข้าวเป็นภาระไหมเป็นภาระของกายหรือของใจใครเป็นคนกินข้าวร่างกายกินข้าวแต่ใจอะเบื่อกินทุกวันเลยเมื่อไหร่จะเลิกนะเบื่อนื้อพริกถ้วยเก่าเบื่อเต็มทีแล้วอย่างนี้นะรู้จักไหมจำนวนนี้ใครไม่รู้จักยกมือซิเป็นคนสมัยใหม่หรือคนต่างประเทศนะ ไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกอย่างหรอกรู้กายรู้ใจไปนเนี่ยเฝ้ามีสตินะรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆมันจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายนี้เป็นภาร ะ, ะตัวที่รู้สึกเป็นภาระเนี่ยรู้สึกถึงความทุกข์ม่เป็นทุกข์ของมันจิตใจล่ะจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยง มีสติรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆจะเห็นว่จิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเราจะเห็นว่าความรู้สึกนานาชนิดนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราดิ้นรนอยากได้ความสุขนะดิ้นรนอยากได้ความสุขพอได้ความสุขมาเนี่ยความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดี๋ยวความสุขไม่เที่ยงอีกละ นะต้องดินรนใหม่นะดินรนอยังอยากมีแฟนสักคนหนึ่งนะจะเป็นผู้หญิงอยู่มานานแล้วกลัวจะต้องไปอยู่ที่เชียงใหม่มีหมู่บ้านหนึ่งนะชื่อดีดีคานทองนิเวศนะนะชื่อหมู่บ้านนี้ฟังแล้วสะเทือนใจนะอยากมีแฟนสักคนหนึ่งนะทีแรกก็สเปกสูงนะ ต้องหลอ่อต้องรวยต้องมีการศึกษาต้องอย่างนั้นอย่างงี้สเปกเยอะ ม, มากเลยพออายุใกล้เลขสามก็ลดสเปกลงหน่อยหนึ่งนะไม่หลอก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันนะแล้วฉลาดหน่อยลูกจะได้ฉลาดพออายุจะเลขสี่นะเอารวยอย่างเดียวก็พอละโง่ไม่เป็นไรโง่ก็ดีปกครองง่ายนะลดสเปกนะพออายุห้าสิบนะ ไม่หลอ่อไม่รวยไม่ฉลาดก็ไม่เป็นไรอ่ะนะอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่าเลี้ยงหมานะอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอนะเงีนะ้ยเนะื้อความต้องการมันเปลี่ยนนะเพราะมันยังไม่ได้ไม่ได้นานๆแต่ถ้ามันได้ความต้องการก็เปลี่ยนอยากได้เยอะขึ้นมีเมียหนึ่งคนกนะ็อยากได้คนที่สองคนที่สามอะไรเงีนะ้ยมีเงนนนะินมีรถยนต์สมมติมีรถยนต์ ที่แรกมีรถจักรยานอยากได้มอเตอร์ไซค์นะได้มอเตอร์ไซค์แล้วอยากได้พิกอัพอยากได้รถเกง๋งนะสุดท้ายแหมอยากได้รถลีมูซีนยาวหลาบ่านะขับไม่ได้หรอกนะจริงๆอยากได้รถยาวๆไปขับรถไฟซะกหมดเรื่องเนะืนะ้อความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพนะฉะนนใจเนี่ยมันไม่เคยมีความสุขที่แท้จริง มันถูกความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี่ตลอดเวลานะใจเลยเต็มไปด้วยความทุกข์เวลามีความอยากเกิดขึ้นคนซึ่งภาวนาไม่เป็นนะคิดว่ามีความอยากแล้วไม่สมอยากจะทุกข์นะแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะพบเลยแค่มีความอยากเกิดขึ้นใจก็ทุกข์ลวใครเห็นตรงนี้บ้างทุกครั้งที่มีความอยากใจจะถูกบีบคั้น ใจทูกข์ละเนี่ยเฝ้าเรียนเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นในทุกอย่างในจิตใจเราเนี่เป็นของชั่วคราวหมดเลยความสุขที่เราอยากได้นะก็เป็นของชั่วคราวพอได้มาแล้วนะแป๊บเดียวเองอะ่ะอยากได้อย่างอื่นแล้วนะความสุขที่ได้มาเนี่ยหมดคุณค่าไม่สนใจละนะเหมือนอย่างเราอยากได้แฟนมานะัดได้มาแล้วแต่งงานแล้วพอมาอยู่บ้านเนะี่ยมันเคยชินนะมันไม่มองล อย่างเราอุตสาห์เป็นผู้หญิงนะอุตสาห์แต่งตัวสวยเช่เนี้ทำผมมาใหม่คิดว่าแฟนเราจะทักมองหน้าเราลาดนะ่าเหมือนเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งใครเคยระจนปัญหาถึงจุดนี้แล้วบ้างในชีวิตมีไหมเนี่ยพอมันจำเจนะไอ้ของที่ว่าแหมดีดีนะกลายเป็นของเพลนเลนไปไม่น่าสนใจใจเราตะหาเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนไปเล ความสุขที่อุตส่าห์ดิ้นรนหามาแทบเป็นแทบตายนะอยู่กับเราแป๊บเดียวเองกลายเป็นเฉยเฉยอยู่ไปนานกว่านั้นนะกลายเป็นหน้าลำคาญใครที่สามีไม่มาวันนี้อแล้วเบื่อสามีนะรู้สึกหน้าลำคาญมีไหม ม, มีมีหน้าเลยหนีมาอยู่วัดตลอดเลยนะไม่เคยอยู่บ้านเลยนะ เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าความสุขมันสั้นความสุขนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ความทุกข์มันก็เหมือนกันนะความทุกข์มันก็สั้นเหมือนกันความทุกข์เรารู้สึกโอ้เราอกหักนะเราทุกขตั้งนานทุกตั้งหลายปีไปแล้วอกหักแต่ว่าในความเป็นจริงนะีมันทุกข์ตอนที่คิดเท่านั้นอนะอย่างเรากําลังอกหักอยู่นะแล้วก็มีหมาบ้าวิ่งมาใส่เราเราตกใจกลัวหมาบ้า ขนานั้นไม่ได้คิดเรื่องอกหักนะคิดเรื่องหมาบ้าสภาวาะอกหักนะ่ะหายไปในขณนะนั้นลนะเกิดนะสภาวาะกลัวมาบ้าแทนแม้ความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะความทุกข์เกิดตอนที่เราคิดเท่านั้นแหละความทุกข์ในใจะนะถ้าเราไม่หลงคิดไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ทุกข์หรอกนะความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนี่เราเรียนรู้ความจริงนะสังเกตใจไปใจสุขก็ชั่วคราวใจทุกข์ก็ชั่วคราว ในที่สุดม่ใช่เห็นว่าสุขก็หาสาระไม่ได้เพราะมันชั่วคราวความทุกข์ก็ไม่ได้ว่าหน่าเกลียดชังอะไรเพราะมันก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตเราที่ผ่านเข้ามานะ้เป็นของชั่ว ค, คราวนี่พอใจเรามาเห็นถึงจุดนะนะี้แล้วใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันจะเห็นเลยว่าความสุขก็หาสาระไม่ได้น่าเบื่อนะความทุกข์ก็ไม่มีสาระน่าเบื่อเหมือนกันสุขทุกข์เสมอกันะ เวลามีความสุขไม่หลงยินดีเวลามีความทุกข์ไม่หลงยินร้ายใจอยู่ในระนาบเสมอกันไม่กับเพิ่มขึ้นไม่กับเพิ่มลงนะเห็นคลื่นไ้ยคลื่นกระเพิ่มอย่างนี้พวกเราเคยเห็นคลื่นวิ่งเข้าฝั่งไหมมีคลื่นวิ่งเข้าฝั่งหลวงพ่อเคยไปสังเกตนะอย่างเรือหางยาวมันวิ่งนะเราอยู่ริมคลองเราเห็นลูกคลื่นวิ่งเข้าฝั่งอันนั้นเป็นภาพดวงตานะ ที่จริงคลื่นมันยกตัวน้ามันยกตัวอย่างนี้วิธีสังเกตนะถ้ามันมีเศษผงอะไรลอยอยู่ในน้ํเนะเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่เดิมแหละแต่มันยกขึ้นยกลงนี่นะแนี่วจนมันถ่ายทอดพลังงานออกมามเลยดูเหมือนคลื่นบินเข้าฝั่งได้อันนี้ก็เป็นภาพลวงตานะ่ไม่ใช่ของจริงหรอกนี่เราเฝ้ารู้จิตใจเรานะเราจะเห็นความสุข ก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวและจิตเราจะราบเรียบสงบนะมีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงพองขึ้นมามีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่แฟบลงไปใจสงบใจมีความสุขมีสันติสุขเกิดขึ้นนะเมื่อเราพยายามพักเพียรภาวนานะแต่ถ้าเราปฏิบัติระวังว่าจะได้มีความสุขเยอะๆได้ความสุขมาแนละ้เดี๋ยวความสุขก็ไปอีกแล้ว เงื่อนถ้าปฏิบัติโดยมุ่งไปหาความสุขเนี่ยเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเลยหรือปฏิบัติโดยมุ่งความสงบเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะความสงบก็เป็นของชั่วคราวหรือปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นคนดีความดีก็ไม่เที่ยงนะก็เป็นของชั่วคราวเกิดดับเหมือนกันอย่างเราอยากฟังเทศเนี่ยจิต ด, ดีนะหพ่อเทศไม่เลิกเนี่ยจิตจากกุศลเนี่ยเปลี่ยนเป็นโทสะพระบ้าเลยว่าพูดไม่เลิก นะกูหิวข้าวแล้วอย่าเงี้ยเนี่ยจิตเราเนี่ยกลับกรอกความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วมันก็ไม่เที่ยงสงบพวกไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดงนั้นถ้าเราปฏิบัติเพื่อห้าความสุขความสงบความดีแล้วก็ไม่มีวันเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงได้เราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้ไปเรียนรู้ความจริงนะของกายของใจไปพอรู้ความจริงแล้วต่ไปจิตจะเป็นกลางไม่กับเพื่อบันไหวมีความสุขก็ไม่กับเพื่อบันไหวมีความทุกข์ก็ไม่กับเพื่อบรนไห ว, ว, ไไวร่างกายแข็งแรงนะก็ไม่ดีใจไม่หลงดีใจไม่นานมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายร่างกาย ไม่สบายก็ไม่เสียใจไม่สบายไม่เคยสบายมาแล้วถึงเวลามันไม่สบายบ้างเป็นเรื่องปกตินะเห็นเป็นเรื่องธรรมดารู้จักคาว่าธรรมดาไหมธรรมะนะธรรมะความเป็นธรรมะนะธรรมดามันเราจะเรียนจนเข้าถึงความเป็นธรรมดานะ เราเห็นร่างกายเนี่ยธรรมดาของมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราเข้าใจธรรมดาตรงนี้พอมันแก่มันเจ็บมันตายจิตเราไม่หวั่นไหวเรารู้ว่าธรรมดาของจิตใจนะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตจะลาบนะครูบาอาจารย์บอกมันราบเป็นหน้ากลองเลยนะ ตรงนั้นมันมีปัญญาที่เรียกว่าสังขารู้เปรคขายา ง, งจิจาระเป็นหน้ากลองเลยไม่กระเพื่อมนะสัตว์่็รู้ว่าเห็นสภาวะและ้วตรงนั้นเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลแล้วนะย้อนเราค่อยๆภาวนานะเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆไม่ได้ยากอะไรหรอกคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใ จ, อ ย, กใจอย่าไปเพิกมัน ถ้าเพ่งกายทื่อๆใจทื่อๆไม่ได้เรื่องหรอกใช้จิตใจธรรมดานี่แหละเรียนรู้ว่าธรรมดาร่างกายเป็นไงธรรมดาจิตใจเป็นไงดูธรรมดาดูของธรรมดานี่แหละใช้ใจธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของกายธรรมดาของใจจนกระทั่งใจมันยอมรับว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามันเป็นยังไงกายกับใจธรรมดามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเรา นีคือธรรมดาเพอใจเข้าถึงธรรมดาแล้วนะใจจะไม่กระเพื่อมบันไหวด์แล้ใจจะเป็นกลางในทุกๆสภาวะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรนี่เสมอกันหมดนะพาใจไม่ดิ้นรนนะหมดความอยากหมดความหิวโหวยพอใจหมดความอยากใจก็พ้นจากภพเพราะตัณหาคือความอยากทําให้ใจสร้างภพพอใจพ้นจากภพก็เรียกว่าโลกุตละนะโลกุตละใจพ้นจากภพ มันมาจากใจสิ้นอยากนั่นแหละนะสิ้นอยากมันก็สิ้นการสร้างภม ก, ก็เป็นโลกุตตะละธรรมนะยังมีความอยากอ ย, กอยู่แม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่สิ้นหรอกนะพอรู้เรื่องไหมเทศยากไปไหมยากนะถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะถ้าลงมือรู้กายรู้ใจไปรู้สบายสบายไม่นานก็เข้าใจนะไม่ยากนักหรอก หลวงปู่ดูลบอกว่ามันยากสําหรับผู้ไม่ปฏิบัตนะิการปฏิบัตินั้นไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเพรนั้นถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยว่าหนึ่งจะฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเราจะพบความอัศจรรย์นะในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่ดู ล, ล, ล, ลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยธรรมดาที่สุดเลยใจพวกเราต่างหากที่ไม่ธรรมดา จนกรทั่งรับธรรมดาไม่ไดนะ้ใจของเราผิดธรรมดานะของไม่เที่ยงก็อยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์ก็อยากให้สุขของไม่ใช่ตัวเราก็าคิดว่าเป็นตัวเรานะแต่ถ้ามาภาวนาไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดตรงๆเลยนะไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่าศาสตร์อะไรที่ลึกลับเลยเป็นของที่ตรงไปตรงมาอาจารย์ตอนมาบวชนะ วสาลภาพเลยได้ยินหลวงพ่อพูดมานานแล้วเรื่องจิตปรุงกิเลสกิเลสปรุงจิตเลยเนี้ยเพิ่งจะเห็นสภาวะที่กิเลสปรุงจิตจริงๆนโมโวหหลวงพ่อพูดมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะเข้าใจะก่อนเนี้มันเข้าใจได้กันคิดเอาได้กันจำเมานะแต่วันที่ใจมันเข้าใจธรรมะธรรมะมันเข้าถึงใจมันไม่เหมือนกันเงินประโยคที่หลวงพ่อพูดเนี้ยวันนี้พวกเราฟังแล้วบางทีขำนะ หลวงพ่อพูดเหมือนกันทุกวันเลยประโยคนี้แล้วเดี๋ยวจะต่อประโยคนี้พูดเหมือนทุกวันแต่ไม่รู้หรอกเชื่อไหมวันที่รู้นี่นะแทบเคตกะบานตัวเองเลยทำไมมันโง่อ ย, อย่างนี้วะอย่าไปว่ามันอันนั้นเป็นความจริงเอาไปกินข้าวนิมนต์นลครับ